ข้อความในคุตการนิการอุทานชนหโสข้อข้อ93ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่หน้าพระวิหารเวลวันกลัมทกะนิวาปะสถานใกล้กรุงราชครึกก็สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมกขลานะอยู่ที่กะโปตะกันรารวิหารก็สมัยนั้นแล ท่านพระสารีบุตรมีผมอันปลงแล้วใหม่ๆนั่งเข้าสมาธิอย่างหนึ่งอยู่กลางแจ้งในคืนเดือนหายปลงผมเสร็จนั่งสมาธิกลางแจ้งนะเนาะก็สมัยนั้นยักษ์สองสหายออกจากทิดอุดรไปยังทิศทักษิณด้วยกรณีากิจบางอย่างได้เห็นท่านพระสารีบุตรมีผมอันปลงแล้วใหม่ๆนั่งอยู่กลางแจ้งในคืนเดือนหาย ครันแล้วยักษ์ตนหนึ่งได้กล่าวกับยักษ์ผู้เป็นสหายว่าดูก่อนสหายเราจะประหารที่ศีรษะแห่งสมณะนี้เห็นแล้วจะมีศรัทธาใช่ไหมตรงกันข้ามเลยนะคล้ายๆกับว่าเห็นโปรงเสร็จใหม่ๆแล้วก็เดี๋ยวตีซะหน่อยเมื่อยักษ์นั้นกล่าวแล้วอย่างนี้ยักษ์ผู้เป็นสหายได้กล่าวกับยักษ์นั้นว่าดูก่อนสหายอย่าเลยท่านอย่าประหารสมณะเลยดูก่อนสหาย สมณะนั้นมีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแม้ครั้งที่สองก็จะตีอีก แ, แม้ครั้งที่สยักษ์นั้นก็ได้กล่าวกับยักษ์ผู้เป็นสหายว่าดูก่อนสหายเราจะประหารที่ศีรษะแห่งสมณะนี้แม้ครั้งที่สามยักษ์ผู้เป็นสหายก็ได้กล่าวกับยักษ์นั้นว่าดูก่อนสหายอย่าเลยท่านอย่าประหารสมณะเลยดูก่อนสหาย สมณะนั้นมีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากลำดับนั้นแลยักษ์นั้นไม่เชื่อยักษ์ผู้เป็นสหายได้ประหารศีสะแห่งท่านพระสารีบุตรเทระยักษ์นั้นพึงยังพญาช้างสูงตั้งเจ็ดศอกหรือแปดศอกให้จมลงไปได้ถ้าตีช้างนะช้างจมดินเลยงั้นหรือพึงทำลายยอดภูเขาใหญ่ก็ได้ด้วยการประหารนั้นตีภูเขากระจายเป็นลูกได้นะ ก็แลยักษ์นั้นกล่าวว่าพอตีเสร็จเนี่ยบอกว่าร้อนเราย่อมร้อนเร่าร้อนเหลือเกินก็ตกลงไปสู่นรกใหญ่ในที่นั้นเองสมัยพุทธกาลเนี่ยนะคนที่ถูกแผ่นดินสูบมีอยู่กี่ดได้สีท่านใช่หมหนึ่งนันทยักษ์คนนี้คนหนึ่งสองนายนันทะคนที่ไปข่มคืนพระอุบลวันนาเถรีคนที่สองนะคนที่สาก็นางจินจะนามวิกา เอาใหม่นะ1พระเทวทัตสอพ่อพระเทวทัตคือพระเจ้าสุปาพุทธ3นางจินจามานวิกา 4. นันทยักษ์หนันทมานพนันท่าถูกแผ่นดินสู่อยู่สองคนน่ะนะคือนันทมานพกับนันทยักษ์นันทมานพก็คือคนที่ข่มขืนอุบลวรรณเทรีนันทยักษ์ก็คือคนที่ตีศีรษะพระสารีบุตรแล้วก็พระเทวทัตกลุ่มเหล่านี้ก็ถูกแผ่นดินสูบสมัยพุทธกาลน่ะนะ ตกนรกอเวจีกลุ่มเหล่านี้ยังไม่ได้หลุดพ้นจนถึงทุกวันนี่นะทุกขากายวิญญาณ น, นี่เกิดตลอดเลยท่านพระมหาโมฆลลานะได้เห็นยักษ์นั้นประหารที่ศีรษะแห่งท่านพระสารีบุตรด้วยจักษุเพียงดังทิพที่เรียกว่าด้วยตาทิพอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุ ข, ของมนุษย์แล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรครั้นแล้วได้ถามท่านพระสารีบุตรว่าดูก่อนอวุโสท่านพึงอดทนได้หรือ พึ่งยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกอะไรอะไรไม่มีหรือท่านภาษาริบุตรก็ตอบว่าดูก่อนอวุโสโมฆาลานะผมพิงอดทนได้พึงยังอัตภาพให้เป็นไปได้แต่สีสษะของผมมีทุกหนหนึ่งเจ็บหนึหน่งวันพระโมฆลานะบอกว่าดูก่อนอวุโสสิบุตรหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีท่านสาิบุตรนี่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก ยักษ์ตนหนึ่งได้ประหารศีษะท่านในที่นี้เป็นการประหารใหญ่เพียงนั้นยักษ์นั้นพึงยังพญาช้างสูงตั้งเจ็ดศอกแดศอกให้จมลงไปก็ได้หรือพึงทำลายยอดภูเขาใหญ่ก็ได้ด้วยการประหารนั้นก็แลท่านพระสารีบุตรได้กล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนอาวุมโสมกขลานะผมพึงอดทนได้พึงยังอัตภาพให้เป็นไปได้แต่บนศีษะของผมมีทุกหนหนึ่ง ภาษารีบทุทก็ชมพระโมคขลานะว่าดูก่อนอา ว, วุโสโมคขลานะน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีท่านพระมหาโมคขลานะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากที่เห็นยักษ์ส่วนผมไม่เห็นแม้ปีศาจผู้เล่นฝุนในบัดนี้พูดอย่างนี้นี่ไม่ใช่ภาษารีบุตรไม่มีตาทิพนะแต่ท่านไม่มนสิการท่านไม่มนสิการแบบอะไรพิเศษพิเศษท่านไม่มนสัสการท่านก็จะอยู่ธรรมดาธรรมดาของท่านนี่แหละมันก็เลยชมว่าพระโมกขลานะมีฤทธิ์มากจริงๆเลยนะ เห็นยักษ์ได้เนี่ยผมเนี่ยปีศาจครุกฝุ่นยังไม่เห็นเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับการเจรจาปราศัยเห็นปานนี้แห่งท่านพระมหานาคทั้งสองนั้นด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์บริสุทธิ์ล่วงโสตธาตุของมนุษย์ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงแปลงอุทานนี้ในเวลานั้นว่าจิตของผู้ใดเปรียบด้วยภูเขาหินตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเคืองจิตของผู้ใดอบรมแล้วอย่างนี้ทุกจากถึงผู้นั้นแต่ที่ไหนอบรมจิตให้เหมือนกับภูเขาสิเนรุใช่ไหก็คืออรหั ต, ตผลลจิตเนี่ยเหมือนกับภูเขาหินที่ตั้งมั่นนะนะไม่กำหนัดไม่โกรธในทุกอารมณ์ผู้ที่อบรมจิตเสร็จแล้วอย่างนี้จะมีความทุกจากไหนเหนน ในอัตถกาถากล่าวถึงว่าพระเทระเหล่านั้นคือท่านพระสารีบุตรเทระนี่มีผิวพันธุ์ดุจทองคําท่านพระมหาโมคคลานะมีผิวพันธุ์ดังดอกอุบลเขียวก็พระมหาเทระทั้งสองนั้นเป็นชาติพราหมณ์โดยเฉพาะสมบูรณ์ด้วยพินิหารเพราะทุกท่านนี้ทำบุญมาเส้นหนึ่งอสงไขยยิ่งด้วยแสนกับบรรลุ ป, ปฏิสัมพิธาสไม่มีถึงหกนะปฏิสัมพิธามีแค่สี่ เป็นพระมหาคีนาศพผู้ใหญ่ได้สมาบัติทุกอย่างถึงที่สุดสาวกบารมีมียาน67ประการปกตินี้ยานในปฏิสัมพิธามีเท่าไหร่73าใช่ไหมยานะ3ห็กอสาธหากอาาระนายานออก6ก็เหลือ67ยานทั้งหมดเลยตั้งแต่สุตมยายานจนถึงถึงอสาาธาระนายานั่นแหละทั้งหมดนั้นมีอยู่ในพระเถระเหล่านั้นทั้งหมด ท่านเหล่านั้นทํากะโปตะกันธราวิหารแห่งเดียวกันให้สว่างสวัยไพโรธเหมือนสีหสองตัวอยู่ในถ้าทองแห่งเดียวกันเหมือนเสือโคร่งสองตัวย่างลงสู่พื้นที่ละเอียดกายแห่งเดียวกันเหมือนพญาช้างฉัดทันตะสองเชือกเข้าป่าสารวันซึ่งมีดอกบานสะพรั่งแห่งเดียวกันเหมือนพญาครุดสองตัวอยู่ในป่าฉิมพลีแห่งเดียวกัน เหมือนเท้าเวสวร์สององค์ขึ้นยานสำหรับพาคนไป ย, ยานเดียวกันเหมือนเท้าสั ก, กะสององค์ประทับนั่งบนปันดุกกำพลศิลาอาจเดียวกันเหมือนเท้ามหาพรหมสององค์อยู่ในวิมานเดียวกันเหมือนดวงจันทร์สองดวงและพระอาทิตย์สองดวงอยู่ในท้องฟ้าเดียวกันฉะนั้นถือว่าเป็นคำที่ยกย่องชมเชยมาก ท่านพระมหาโมฆลานะได้นั่งนิ่งท่านภาษารีบุตรเข้าสมาบัติเข้าสมาบัตินั้นบอกว่าอัญญตรังสมาทิงบอกว่าโอเบขาพรหมิหารสมาบัติอาจารย์บางท่านบอกว่าสัญญาเวทายตาเนโรธก็คือเข้านิโรสมาบัติอาจารย์อีกพวกหนึ่งบอกว่าพระสมาบัติที่มีอรูปฌานเป็นบาทจริงอยู่สมาบัติทั้งสามนี้แหละเป็นสมาบัติที่สา ม, มารถรักษากายสมาบัติสมอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะ หนึ่งรักษาได้คือฌานสีอุเบขาพรหมิหารอย่างที่สองสัญญาเวทานิตะนิโรธสพระสมาบัติที่มีอรูปฌานเป็นบาทสมาบัติสมอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยที่สา ม, มารถรักษากายได้ดังกล่าวนี้ในสมาบัติเหล่านั้นการเกิดโดยปริยายแห่งสมาธิของนิโรสมาบัติกล่าวไว้แล้วในหนหลังแต่อาจารย์ทั้งหลายพนานาสมาบัติครั้งสุดท้ายเท่านั้น ทุกอาจารย์นี่เชื่อเหมือนกันว่าพระสารีบุตรนั่งเข้าอรหั ต, ตผลสมาบัติที่มีอรูปฌานเป็นบาทหมายค่ะว่าเจริญกรรมฐานให้เข้าอารูปฌานก่อนออกจากอารูปฌานแล้วเจริญวิปัสสนาเข้าพระสมาบัตินั่นเองนี่พูดถึงยักษ์สองตนเนี่ยนะเหาะผ่านมาตรงนั้นเลยจากทิศเหนือจะไปยังทิศใต้เขาประชุมกันที่ทางทิศเหนือนะกลับไปทิศใต้อย่างที่อยู่ของตนเหาะผ่านมาตรงนั้น ยักษ์นั้นอ่ะพอเห็นเท่านั้นแหละหมายใจอยากตีศีรษะพระเลยนะตีหัวคงสนุกเหมือนกันนะจิตของเราเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อจะตีศีรษะของพระเถระนี้ได้ยินว่ายักษ์นั้นผูกอาฆาตพระเถระมาในชาติก่อนชาติก่อนได้ผูกเวรกันแล้วนะเจอกันก็จะเอาเรื่องทีนะอ่ะเพราะเหตุ น, นั้นพอเห็นพระเถระเขาจึงมีจิตคิดประทุษรายอย่างนั้นยักษ์ผู้สหายเป็นผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นก็ห้ามยักษ์เพื่อนนะนะว่าอย่าเลยสหาย เพราะอะไรเพราะว่าพระธีระเนี่ยนะเป็นผู้มีคุณมากเพราะประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นที่สูงสุดพระรูปนั้นท่านมีอรหัตผลศีล น, นะท่านมีศีลระดับอรหัตผลอนาธิยตวาความว่าไม่กระทําความเอื้อเฟือ้อคือไม่เชื่อคําของยักษ์ผู้สหายนะั้นไม่เชื่อเพื่อนเลยนะเพื่อนจะห้ามยังไงก็ไม่เชื่อเพื่อนสีเสปหารังอัฏฐสิกความว่ากระทําความอุตสาหะให้เกิดด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมด ยืนอยู่บนอากาศนั่นแหละโขกที่ศีรษะอธิบายว่าเอากำปั้นตีศีรษะลงเลยนะทุบเข้าไปเลยนะเพระว่าเข้าไปตาวะมหาความว่าได้ประหารอย่างหนักปานนั้นด้วยเรี่ยวแรงอย่างมากมายถ้าประหารช้างเนี่ยพญาช้างจมธรณีเลยแหละทุบช้างช้างจมแผ่นดินถ้าทุบภูเขาภูเขายังแหลกละเอียดเพราะอะไรเพราะว่ายักษ์นั้นเนี่ยมีฤทธิ์มากพอตีเสร็จอะไรเกิดขึ้น ก็ในขณะนั้นเองความเร้าร้อนได้เกิดขึ้นในร่างของยักษ์นั้นยักษ์นั้นอาดูลไปด้วยเวทนาเจ็บปวดอย่างแรงกลา้าไม่อาจจะดํารงอยู่ในอากาศได้จึงตกลงที่พื้นดินในขณะนั้นเองมหาปฐพีหนาสองแสนี 240, ่มืโยธรองรับขุนเขาสินเนรุซึ่งสูงหนึ0งแโยธประหนึ่งไม่อาจจะรองรับสัตว์ชั่วนั้นได้จึงเปิดช่องให้ เปลวไฟก็ขึ้นพุ่งจากอเวจีมหานรกจับยักษ์นั้นซึ่งกำลังครั่งครวนอยู่นั่นเองแผ่นดินสูบเลยนะเปลวไฟแลบขึ้นมาพรับหมดเลยยักษ์นั้นกำลังคร่าครวญบนเพอตกไปด้วยเหตุนั้นจึงกล่าวว่ายักษ์นั้นร้อนร้อก็จมลงไปในมหานรกนั่นเองอันนี้เป็นชื่อของอะไรอเวจีนั่นเองนะตกไปในอเวจีอเวจีนี้แปลว่าอะไรนะแปลว่าไม่มีระหว่างขั้น ไม่มีระหว่างขั้นอะไรบอกว่าความทุกข์ไม่มีระหว่างขั้นคิดง่ายๆว่าไม่มีโสมนัตมาแทรกเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆแล้วอีกหนึ่งก็บอกว่ามีสัตว์ไม่มีระหว่างขั้นเออัดยัดเยียดเหมือนทนานดีบุกคิดง่ายๆก็เหมือนกับถงแป้งนะที่ใส่กระปุกแป้งที่เต็มไปด้วยแป้งนะสัตว์นี้เต็มอย่างนั้นแหละถามว่าก็ยักษ์ตกนรกทั้งอัตภาพยักษ์นั่นแหละหรือบอกไม่ใช่หรอกไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก ก็ในที่นี้เพราะพลังแห่งบา ป, ปกรรมที่อํานวยผลในปัจจุบันยักษ์นั้นจึงเสเวยทุกมหันในอัตภาพเป็นยักษ์ทีท่ถ้าทมเวชนิยกรรมเนี่ยร้อนขึ้นมาทันทีร้อนเต็มตัวไปหมดเลยอันหนึ่งเพราะอุปชาวเวชนิยกรรมอันเป็นอนันตริยกรรมยักษ์นั้นจึงเกิดในนรกถัดจากจุติจิตจุติจิตก็ปฏิสนธิในนรกเลย แต่ร่างกายของพระเถระที่ถูกพลังแห่งสมาบัติสนับสนุนไม่มีวิการอะไรเลยคือไม่ได้เสียหายอะไรสักอย่างความจริงยักษ์นั้นประหารท่านในเวลาที่ท่านยังไม่ออกจากสมาบัติพระมหาโมคลานะเห็นยักษ์นั้นประหารอยู่อย่างนั้นด้วยที่พจักษุจึงเข้าไปหาพระธรรมเสนาบดีและพร้อมกับเวลาที่เข้าไปหานั่นแหละพระธรรมเสนาบดีก็ออกจากสมาบัติลาดับนั้นพระมหาโมคลานะจึงถาม ถึงความดูแคลนกะท่านพระธรรมเสนาบดีฝ่ายพระธรรมเสนาบดีก็ได้พยากรณ์แก่ท่านบอกว่าศีรษะของผมเนี่ยทุกอยู่หน่อยหนึ่งเหมือนกันเจ็บหน่อยหนึง่งโถกังทุกขังเนี่ยโถกังแล้วว่าหน่อยหนึง่งศีรษะเป็นทุกคือได้รับความทุกขนิดหน่อยคือมีประมาณเล็กน้อยนะคล้ายๆกับหยดเทียนเคยเห็นหยดเทียนตกใส่มือใส่อะไรไหมจริงอยู่ศีรษะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกเขาเรียกว่ามีทุกข เหมือนกับน้ำตาเทียนหยดใส่ถ้าหน่อยหนึ่งถามว่าก็เมื่อสรีระถูกพลังแห่งสมาบัติสนับสนุนศีรษะของพระเถระเป็นทุกข์น้อยหนึ่งเนี่ยได้อย่างไรก็ทำไมยังเจ็บล่ะสมาบัติน่าจะรักษาได้นะตอบว่าเพราะท่านออกจากสมาบัติไม่นานเลยจริงอยู่ทุกข์ไม่ปรากฏภายในสมาบัติเหมือนยุงเป็นต้นปรากฏแก่ผู้หลับ ปรากฏหน่อยหนึ่งแก่ผู้ตื่นขึ้นเพราะเนื่องด้วยกายนะถ้ายุงกัดตอนหลับตื่นขึ้นมาก็คันอยู่บ้างนี่ก็เหมือนกันถ้าตีตอนเข้าสมาบัติออกจากสมาบัติก็เจ็บอยู่บ้างแต่ก็นิดหน่อยเมื่อท่านพระมหาโมกขลานะเกิดความอัศจรรย์ขึ้นว่าขึ้นชื่อว่าความวิการวิการก็เสียหายนะความเสียหายย่อมไม่มีแม้ในร่างกายที่ถูกยักษ์มีกําลังประหารเอาด้วยเรียวแรงทั้งหมดเช่นนั้น ประกาศความที่ท่านพระธรรมเสนาบดีมีอนุภาพมากโดยนายเป็นต้นว่าน่าอัศจรรย์ท่านสารีบุตรฝ่ายพระธรรมเสนาบดีก็แสดงความที่ตนละได้เด็ดขาดซึ่งมนทินมีริษยามีความตรนีและอาหางการเป็นตน้นโดยการประกาศว่าตนมีอิทธานุภาพมากแก่พระโมคคัลลานะนั้นโดยนายเป็นต้นว่าน่าอัศจรรย์พระโมคคัลลานะ คือคนที่มีมีดีจริงๆเลยเนี่ยนะจะไม่ยกตนกลับชมฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไม่มีริษยาเลยไม่มีความตนีไม่มีอาหางการไม่มีมานะโอ้อวดอะไรสักอย่างและยังบอกว่าปังสุ ป, ปิสาจะกก ร, รมปิณะปัสสามะความว่าพวกเราเนี่ยมองไม่เห็นแม้ซึ่งคุทะกะเปรตผู้เที่ยวไปในสถานที่มีกองหยากเยื่อเป็นต้น ดังนั้นพระมหาเถระผู้เป็นยอดแห่งผู้ปรารถนามรผลจึงได้กล่าวหมายถึงความไม่เห็นเปรตเหล่านั้นเพราะไม่ได้อาวัชชนะถึงในการนั้นก็ท่านไม่อาวัชชนะท่านจะเห็นได้ยังไงเพราะตาทิพย์เนี่ยจะต้องอาวัชชนะขึ้นจึงจะเห็นไม่ใช่ท่านไม่มีตาทิพย์แต่ท่านไม่อาวัชชนะท่านก็ไม่เห็นบอกนี่ผมไม่เห็นเลยแบบนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจอ่ะเนาะ พระพุทธเจ้าก็ได้ยินด้วยที่พระโสตธาตุว่าพระสารีบุตรกับพระโมคขลานะกาลังสนทนากาันพระองค์ก็เปล่งอุทานคือทราบเรื่องทั้งหมดแล้วพระองค์ก็เปล่งอุทานว่าเป็นการเปล่งอุทานแสดงถึงการที่พระสารีบุตรนั่นแหลเป็นผู้คงที่ตาที่โ น, โนเนี่ยมั่นคงะนะลักษณะของพระอรหันต์คือผู้ที่มั่นคงบทว่ายัสสะเสรลปรังจิตตังที่ตังนานุปปรก ร, รมปรติ ความว่าจิตของพระขีณาสกใดอุปมาด้วยภูเขาอันล้วนแล้วด้วยหินเป็นแท่งทึบตั้งอยู่โดยถึงความเป็นวสีเพราะไม่มีกิเลสเครื่องเอ็นเอียงทั้งหมดย่อมไม่หวัน่นคือย่อมไม่ไหวด้วยโล ก, กธรรมทั้งปวงจึงไม่ได้หวั่นไหวอะไรสักอย่างเลยนะมั่นคงจริงจิตของพระอรหันต์บทว่าวิรตังรัชนีเยสุความว่า เป็นผู้ปราศจากความยินดีในธรรมที่เป็นไปในภูมิสามทั้งหมดเฉพาะปิยรูปสาตโรบ น, นะะอันเป็นเหตุเกิดราคะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีด้วยอริยมรรคคือวิราคาธรรมอธิบายว่าตัดราคะได้เด็ดขาดโดยประการทั้งปวงในธรรมะที่เป็นไปในภูมิสามเพราะฉะนั้นธรรมะในภูมิสามปิยรูปสาตรูปปานใดท่านก็ไม่ได้ ติดใจใหยดีอะไรเลยด้วยอนุภาพของอรหัตตมรักเนี่ยนะด้วยอนุภาพของอริยมรักษ์อรหัตตมรักษ์ไม่ยินดีแม้กระทั่งในอรูปปาจนจะกล่าวไปใ ย, ยถึงอย่างอื่นเพราะตัดฉันราคะในรูปปาจนอรูปปาจนได้เด็ดขาดแล้วบทว่าโกปนยเยความว่าย่อมไม่โกรธคือย่อมไม่ขัดเคืองได้แก่ไม่ถึงอาการอันผิดแผกในอาคาตวัตุแม้ทั้งหมดอันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง คือท่านไม่ได้โกรธยักแม้แต่นิดเดียวเลยนะจิตที่คิดประทุษร้ายยักไม่พอใจยักไม่มีนิดเดียวเลยบทว่ายะเสวังพาวิตังจิตตังความว่าจิตอันพระอริยบุคคลคือพราอาหารตามที่กล่าวแล้วใดอบรมแล้วโดยภาวะนำมาซึ่งความเป็นผู้คงที่ด้วยอาการอย่างนี้คือโดยนิยะดังกล่าวแล้วก็ลักษณะตามมงคลนะนะอโซกังวีระชังเขมังเอตัมมังคมุตตังมัง ก็คือเนี่ยลักษณะของพาหะหัมเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่รู้จักพ่ายแพ้ปราชัยในที่ทุกข์แห่งอ่ะนะเพราะท่านเป็นผู้ที่มั่นคงอย่างแท้จริงด้วยอนุภาพของอริยมรตกุโตตังทุกเมสติความว่าทุกข์จกเข้าถึงบุคคลผู้สูงสุดแต่ที่ไหนคือแต่สัตว์หรือสังขารอธิบายว่าบุคคล น, นั้นย่อมไม่มีทุกข์สัตว์หรือสังขารทาให้ท่านทุกข์ใจไม่มีแต่ทุกกายมี เจ็บหน่อยหนึ่งเหมือนน้ำตาเทียนใช่ไหมเหมือนน้ำตาเทียนหยดใส่ะนะก็เจ็บเท่านั้นแหละแต่ว่าใจไม่ได้เจ็บตามเลยซึ่งต่างจากปุตุชนทั้งหลายปุตุชนทั้งหลายถ้ามีเรื่องทุกข์ทั้งนอกอ่ะนะก็ใจก็ทุกข์แล้วละเจออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาใจก็ก็ทุกข์ซึ่งต่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ที่มีใจคงที่ทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาและอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาแต่ไม่ใช่ทําตัวเฉยเฉยนะ หมายถึงว่าอนุภาพของอริยมรรคของท่านคนที่ศึกษาพระธรรมไม่ดีเนี่ยพอฟังคาว่าท่านคงที่ทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาพอฟังอย่างนี้ก็เลยบอกข้อปฏิบัติต้ตองทำตัวเฉยๆเข้าไว้ใช่ไหมมันจะดีก็เฉยมันจะไม่ดีก็เฉยอุเบคาอย่างเดียวพอ อ, อืออุเบคาเป็นมรรคแปดใช่ไหม ตั้งคำถามดูนะท่านเจริญมรรคแดเสร็จแล้วท่านจึงตั้งมั่นด้วยฉลังคู่เปกขาคืออนุภาพของตัตตะมัชตะตาคือไม่เอียงเองไปทางไหนสักอย่างเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแต่คนไม่เข้าใจก็เลยพอฟังอย่างนี้ก็เลยทําตัวเฉยๆอารมณ์ที่ดีก็เฉยอารมณ์ที่ไม่ดีก็เฉยเฉยหมดเลยไม่ยอมรับรู้อะไรสักอย่างทําตัวเฉยๆตลอดเวลาก็เลยนึกว่าตัวเองได้ดีใช่ไหมเพราะ อยากให้คนอื่นชมก็บอกเขาถามว่าเป็นยังไงบอกเฉยเฉยาะมายังสงสัยว่าไอ้เฉยมันเป็นมรรคแดข้อไหนเป็นโพธิปัจจยธรรมบ้างไหมพอจะตรัสรู้บ้างไหมใชอยอย่างเดียวเนี่ยนะใช่แล้วบอกความมาก็บอกว่าเฉยเนี่ยเกิดร่วมกับจิตหลายดวงนะโลภะสี่ดวงก็อุเบกขาโมหะสองดวงก็อุเบกขาทวิปัญจเนี่ยหลายดวงก็อุเบกขาอาวชนะก็อุเบกขามหากุศล ก็อุเบกขามหากิริยาก็อุเบกขามหาวิบากก็อุเบกขาระดับปัญจมะฌานเป็นต้นก็อุเบกขาตกลงท่านจะอุเบกขาข้อไหนก็เลยตอบยากอะนะไม่รู้อุเบกขาไหนแต่ว่าแนวโน้มดูท่าจะอุเบกขาโมหะสัมปยุตอุทจะด้วยอะนะช่วยๆแบบฟุ้งๆอะนะก็ไม่ค่อยรู้อะไรหรอกเธอก็ขอให้ใช้ในอุเบกขาสัมโพชฌงเทอให้อุเบกขาในสัมโพชฌงหรืออุเบกขาใน อรูปประชามเป็นต้นนั้นดี